สังคมในปัจจุบันนี้ความเจริญในด้านวัตถุมีสูงและนับวันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่สุดของความสูงแล้วจะต่ำลงนี้เป็นกฎของธรรมชาติที่เป็นเช่นนั้นเองซึ่งมนุษย์จะมีความรู้ความสามารถสูงแค่ไหนก็หนีกฎธรรมชาติไปไม่ได้เช่นมนุษย์เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องดับไปคือตายในที่สุด มนุษย์ในโลกส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบเพลิดเพลินและประมาทหลงไหลในความคิดความเห็นการสแสวงหาและการสะสมซึ่งวัตถุจนละเลยกฎของความเป็นจริงของชีวิตที่มีคุณค่าและประโยชน์อันเหนือกว่าคุณค่าของวัตถุนิยมคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นชาวพุทธตามเทะเบียนบ้านแต่มีจำนวนน้อยที่จะพยายามให้เป็นชาวพุทธ ที่การกระทําทางกายวาจาใจและสนใจเรียนรู้กฎความเป็นจริงของชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าวัตถุนิยมคุณค่าของชีวิตและประโยชน์อันแท้จริงนั้นมีอยู่มากในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันสิ่งต่างๆที่เครือบแฝงอยู่ในวงการาศาสนานั้นมีมากจนคนทั่วไปและพระบางรูปก็ยังสับสนอยู่ จากการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เพียงเพื่อหยิบยกบางแง่มุมในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เพื่อวิเคราะห์ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างต่อการดำเนินชีวิตและจะได้สะสมซึ่งบุญกุศลพร้อมกับฝึกชำระจิตให้สะอาดเพื่อเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงของเราท่านทั้งหลายอะริโยภิกขุ รำลึกคุณธรรมหลวงปู่สอนไว้เสียงเจ้แจ้วแววดังฟังชัดหูเป็นอันรู้หลวงปูดาน่าใจหายจีที้ชัดขัดกิเลสให้มันตายก็มิวายดื้อดึงไม่ซึงรร้งทำโอวันนี้ไม่มีเสียงหลวงปูดาใครเล่าหนาจะเตือนให้จดจำตนเตือนต น, ตนเหมือนท่านสอนให้เราทำเพื่อพ้นกรรมพ้นทุกข์ที่สุดเอ่ย หลวงปู่เพ่งพุทธธรรมโมวัดป่าสามัคคีธรมมรมอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติโดยสังเขปนามเดิมเพ่งน้อยก้มเป็นบุตรของในบัวหลวงปู่บัวสิริปุณโนวัดราษฎรสังเคราะห์บ้านหนองแซงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดหนองบัวลำพูกับนางมิม้มน้อยก้ม เกิดตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำวันพฤหัสที่หกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันสร้อห้าสิบเจ็ดตรงกับปีขานที่บ้านเขืองตําบลหมู่มนอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อตอนที่ท่านยังเด็กอายุได้หกขวบครอบครัวท่านได้อพยพมาอยู่ที่บ้านกานทุ่งตำบลปาฟา อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดบัพรพชาเมื่อเรียนจบชั้นปฐมปีที่สี่ก็ออกมาช่วยบิดามารดาทำนาจนถึงปีพุทธศักราช2476อายุได้19ปีท่านจึงบัพรพชาเป็นสมณีนที่วัดบ้านจานทุง่งบัพรพชาเป็นสมณีนได้หนึ่งพรรษาอุปสมบทครั้งที่หนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช2477วัดบ้านป่าฟาอุปชาหนูแล้วก็กลับมาพักอยู่ที่วัดบ้านจานทุง่งเป็นพระฝ่ายมหานิกายและได้ยติใหม่เป็นพระฝ่ายธรรมยุทธที่วัดบึงพระลานชัยอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับฉายาว่าเมตโยปีพุทธศักราช2479 สอบนักธรรมโทได้แล้วก็ลาอุปชาออกเดินทุดงจากจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาที่จังหวัดมหาสารคามท่านเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์นาคโคโสคืออาจารย์นาคองค์นี้เป็นพระกรรมฐานที่ออกทุดงโดยความเด็ดเดี่ยวยิ่งนักพระอาจารย์นาคนี้เคยอยู่วัดป่าสารวันร่วมกับหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโย และต่อมาก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่คำดีประพาโสในปีพุทธศักราช2482หลวงปู่เพลงได้โน้มน้าวจนบิดาของท่านปรงใจบวชเป็นพระในพุทธศาสนาด้วยหลวงปู่บัวสิริปุลโนทาพิธีบวชที่วัดบึงพระลานชัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อบวชแล้วก็มาจําพรรษาร่วมกันหนึ่งพรรษาและหลวงปู่บัวก็ไปศึกษาธรรมกับพระอาจารย์คูนและก็ไปอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่จังหวัดสกลนครเมื่อพระอาจารย์สมชายที่ตาวิริโยวัดเขาสุ ก, กิมจังหวัดจันทบุรีตอนยังเป็นสมณีนก่อนที่จะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็เคยมาอยู่กับหลวงปู่เพงที่วัดป่า ศรีไพรวันศึกออกครองเพศคารวาสลงปู่เพลงท่านอยู่ในเพศบรรพชิตในการบวทครั้งแรกได้ 12, สิบสองพันษาก็พบอีบากกรรมบางประการจําเป็นต้องศึกออกไปครองเพศคารวาสและมีครอบครัวโดยทําการค้าขายและจําเป็นต้องข้ามไปมาระหว่างฝั่งลาวกับฝั่งไทยท่านว่าต้องไปไปมามาอยู่บ่อย ท่านใช้ชีวิตในเพศคารวาสอยู่เป็นเวลาประมาณสิบแปดปีจนเกิดความเบื่อนหน่ายในความวุ่นวายแบบโลกโลกจิตจึงโน้มมาในด้านการปฏิบัติธรรมอุปสมบทครั้งที่สองในปีพุทธศักราชัห้าอเจท่านจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะบวชอีกครั้งเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้ได้และไม่ยอมถอยหลังอีกต่อไป การบวชครั้งที่สองนี้ท่านบวชที่วัดราชสดรสงเคราะห์บ้านหนองแซงอําเภอหนองวัวซอจังหวัดหนองบัวลัโพูเมื่อบวชแล้วหลวงปู่บัวสิริปุนโนก็ได้พาท่านไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโวัดป่าอุดมสมพรและท่านได้ไปพักศึกษาธรรมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลาระยะหนึ่ง โดยได้รับคำชี้แนะจากหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนแล้วก็ไปศึกษาธรรมกับหลวงปู่คำดีประพาโซวัดถ้มผาปู่ท่านได้ไปอยู่ศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ม่นภูริทัตโตในภาคอีสานหลายที่หลายแห่งจนภูมิจิตภูมิธรรมเข้มแข็ง ข, ขึ้นเพราะพื้นฐานเดิมในด้านการปฏิบัติมีอยู่บ้างแล้ว ท่านได้ออกเดินทุ ด, ดงขึ้นมาทางภาคเหนือเรื่อยๆถึงอายุจะมากขึ้นแต่ก็ไม่ยอมท้อจิตใจท่านเข้มแข็งและมีความอดทนสูงท่านว่าได้ทุ ด, ดงไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ป่าบ้างอยู่ถ้ำบ้างอยู่วัดร้างบ้างถึงจะมีความลําบากก็ต่อสู้และอดทนเอาท่านอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ระยะหนึ่งก็ทุ ด, ดงไปทางเหนือ จนถึงจังหวัดลำปางและได้ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดถ้ำแวรสวรรค์เมื่อถึงปีพุทธศักราช2518หลวงปู่บัวสิริบุญโนผู้บิดาอาพาธท่านก็มาเฝ้าค่ายอยู่จนหลวงปู่บัวสิริบุญโนมรณภาพลงเมื่อจัดงานศพเรียบร้อยแล้วท่านก็เดินทางไปทางภาคเหนืออีกไปอยู่ร่วมกับหลวงปู่จันทาทาวโร วัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรอยู่ได้ระยะหนึ่งท่านก็เดินทางขึ้นเหนือไปอีกจนถึงอำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายท่านก็ได้ไปพักที่วัดร้างวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่าและมีโบราณสถานซึ่งเป็นวัดเก่าสมัยขอมเรืองอำนาจมีซากเจดีซากวิหารและพระพุทธรูปทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ มีทั้งเสาหินโบราณอยู่กระจัดกระจายหลวงปู่เคยบอกว่ามาอยู่ใหม่ๆที่นี่เจ้าที่เจ้าทางแรงมากแต่ท่านมาดีมาช่วยพัฒนาในสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นก็เลยไม่มีปัญหาอะไรอยู่พัฒนามาได้เรื่อยๆได้ปัจจัยมาท่านก็เอามาทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วไป และมีการอบรมทําปฏิบัติพัฒนาจิตใจอยู่เป็นประจาถึงท่านอายุจะมากขึ้นแต่ท่านก็จะพาพระเนนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเช้าเย็นเป็นประจาตอนเช้าประมาณตีสามกว่าโดยมากท่านจะมานั่งสมาธิรออยู่ในศาลาส่วนใหญ่พระเนนจะมาที่หลังท่านอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนี้ หน้าหนาวนั้นหนาวเอาการอยู่ทีเดียวถึงจะหนาวสักเท่าใดท่านก็จะมานั่งสมาธิรออยู่เป็นประจำปกตินิสัยท่านเป็นพระใจดีแต่เด็ดขาดถ้าไม่ดีไม่ถูกต้องบอกแล้วไม่เชื่อฟังเดี๋ยวถูกด่าแต่ด่าแล้วก็แล้วกันท่านไม่มีปัญหาปรับร้อยเอ็ดหลวงปู่เพ่งพุทธธรรมโมท่านพำนักอยู่ที่วัด เทิงเสาหินเป็นเวลา 22,000 ษาคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,518 ถึงปีพุทธศักราช 2,540 ในปีพุทธศักราช 2,540 ท่านอายุได้83ปีลูกลหลานหลวงปู่ที่อยู่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มานิมนต์ให้หลวงปู่กลับไปจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของท่านท่านจึงรับนิมนต์และก็ได้ตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัด เถิงเสาหินให้แกหลวงปู่พรมสุพรมยาโนพระน้องชายเป็นเจ้าอาวาสแทนเมื่อลงปู่เพ็งกลับมาจากร้อยเอ็ดก็ไปพักที่วัดป่าศรีไพรวันซึ่งเป็นวัดเก่าที่ท่านเคยอยู่มาก่อนแต่ตอนนั้นเจ้าอาวาสไม่มีท่านจึงมาอยู่และรับตำแหน่งเจ้าอาวาส ในช่วงที่หลวงปู่มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสีไพรวันนั้นกำลังมีปัญหาแตกแยกกันในความคิดเห็นกันอยู่หลายเรื่องทั้งแนวทางการปฏิบัติและข้อวัดต่างๆที่เป็นกฎระเบียบการดำเนินแบบพระวัดป่าก็ย่อหย่อนลงไปการฉันอาหารก็ฉันสองเวลาและฉันในจานเหมือนวัดบ้านโดยทั่วๆไปการรักษาธรรมวินัยต่างๆก็เริ่มกลายเป็นแบบ วัดบ้านพระเนนก็ไม่สนใจปฏิบัติธรรมวินยัยเท่าที่ควรพอหลวงปู่มาอยู่เป็นเจ้าอาวาสท่านก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในธรรมวินยัยและข้อวัดต่างๆแบบพระป่าท่านมาเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องก็เลยมีญาติโยมบางคนและพระบางองค์เกิดความไม่พอใจท่านและอะไรอีกลยอย่าง หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตแบบพระปฏิบัติท่านก็มาเปลี่ยนแปลงเสียใหม่มีญาติโยมที่เสียผลประโยชน์เพราะหลวงปู่ ม, มาเป็นเช่าอาวาสก็เลยสร้างปัญหา ย, ยุยงญาติโยมในบู่บ้านที่อยู่รอบวัดต่อต้านหลวงปู่จนที่สุดท่านก็เห็นว่าจะวุ่นวายกันไปใหญ่ท่านจึงย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นโดยมีพระเนียนติดตามไปหลายรูป ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินขอให้ท่านสร้างวัดเป็นวัดปฏิบัติสายวัดป่าโดยท่านอยู่เป็นประธานสงฆ์และจำพรรษาที่บ้านโนนสวรรค์และตั้งชื่อว่าวัดป่าสามัคคีธรรมบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่สิบตำบลนาโพอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดและสมพระไปดูแลอีกสองวัดคือวัดอรุณวิเวกธรรมารามตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด และ ว, วัดป่าสริบุญโนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดความเมตตาถึงหลวงปู่เพ่งพุทธธรรมโมจะมีอายุได้87กว่าแล้วก็ตามท่านยังมีเมตตารับกิจนิ ม, มนต์ไปเทศโปรโดพุทธบริษัทในจังหวัดต่างๆถึงท่านจะผอมแต่ก็มีสุขภาพที่แข็งแรง ในช่วงต้นปีพุทธศักราช2545คือเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2545หลวงปู่เดินทางเข้ากรุงเทพเพราะมีกิจนิมนต์ที่วัดบ ร, รมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพและวันที่17มกราคมพุทธศักราช2545ก็มีกิจนิมนต์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและวันที่21มกราคมพุทธศักราช2545 ก็มีกิจนิมนต์ที่วัดป่าเขาน้อยอเภวังไซมูลจัังหวดพิจิตรเป็นงานทําบุญวันเกิดหลวงปู่จันทาถาวะโรการอาพาธคือช่วงวันที่20มกราคมพุทธศักราช2545หลวงปู่ยังพักอยู่ในกรุงเทพคือขณะที่ท่านกำลังเทศโปรดญาติโยมที่มานั่งภาวนาได้สักพักหนึ่งแล้วท่านก็หยุดและขอให้ไปพักผ่อน โดยท่านมีอาการเวียนศรีรษะอาเจียนและปวดศรีรษะอย่างแรงไม่มีแรงจะลุกเดินญาติโยมจึงพาท่านไปส่งโรงพยาบาลรังคําแหงเพราะอยู่ใกล้ที่พักหลวงปู่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรังคําแหงได้สามวันก็ย้ายไปพักรักษาต่อที่โรงพยาบาลประสาทพยาทยได้อีกประมาณยี่สิบสามวันมรณะภาพ จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เวลาประมาณ 21.25 นหลวงปู่ก็จากไปด้วยอาการสงบโดยหมอบอกว่าท่านมรณาภาพเนื่องจากปอดติดเชื้อปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้เป็นอันว่าหลวงปู่เพ่งพุทธธรรมโมได้ลาสังขารที่สถาบันประสาทวิทยาโรงพยาบาลประสาทพยาไท เขตราชเทวีกรุงเทพเมื่อวันพุธที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545เวลา21นาิกา25นาทีสิริรวมอายุได้87ปี6เดือน7วันบวชครั้งแรกได้1 2พ0รษาบวชครั้งที่สองได้3 6พ0รษา ขบวนรถนำศพหลวงปู่เดินทางกลับไปถึงวัดป่าสามัคคีธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในวันพฤหัสที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2545อันเชิญศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลณสาลาอนเนกะสมของวัดพระราชทานเพลิงศพวันเสาร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2545เป็นวันพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ณที่วัดป่าสามัคคีธรรมบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่10 ตำบลนาโพอังเปอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่10มีนาคมพุทธศักราช2545เป็นวันเก็บอัฐิธาตุหลวงปู่เพ่งพุทธธรรมโมตอนนั้นเป็นเวลาเช้ามือดอากาศกำลังสบายไม่หนาวเย็นจนเกินไปณบริเวณเชิงตะกรที่พระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่นั้นมีพระและญาติโยมประมาณห้าหกคนยืนอยู่รอบรอบนั้น มียอผู้หญิงที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพยืนน้่ตาซึมอยู่สองคนและได้สนทนากันว่าคนที่หนึ่งหลวงปู่จากพวกเราไปแล้วต่อไปคงไม่มีใครคอยดุคอยด่าพวกเราอีกแต่ถึงจะดุจะด่าอย่างไรเราก็รู้ว่าท่านดุด่าด้วยความหวังดีคนที่สอง นี่ถ้าหลวงปูร่รู้หรือเห็นว่าเราร้องห้อย่างนี้ก็คงถูกด่าอีกเป็นแน่แน่คนที่หนึ่งพบหลวงปู่เทวไรก็จะต้องถูกด่าทุกทีเพราะพวกเราไม่เอาจริงเอาจรงในการปฏิบัติคนที่สองต่อไปคงไม่มีใครที่จะหวังดีคอยดุคอยด่าพวกเราอีก